ในกาลนั้นเราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นพระราชาที่ปกครองแผ่นดินด้วยศีลสมาทานกุศ ล, ลกรรมบท10ประการประพฤติกุศลทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือสงเคราะห์มหาชนด้วยสังหาวัตถุสประการเราเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกนี้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกหน้าด้วยอาการอย่างนี้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 ผูเสมอด้วยเมตตาของเราไม่มีนี้เป็นเมตตาบารมีของเรามีเมตตาถึงขนาดเห็นคนที่มาฆ่าเหมือนลูกเดินขึ้นมาอย่างนั้นนะนีมีเมตตาพระราชาที่เป็นข้าศึกมาชิงเอาแผ่นดินเนี่ยเหมือนลูกตัวเองกําลังเดินมาเลยนะมีจิตคิดเออลูกเรามาแล้วเอาไปเลยลูกอย่างนั้นนะเนี่อัตถกถาอธิบายว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงพารณาณสี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 อนาะรักษ์อนาประชาราชเหมือนลูกที่อยู่บนตักของตัวเองนะขณะเดียวกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนนะความอดทนนี่มีเป็นเยี่ยมจิตใจก็หวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความคิดว่าทำชนไหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยนะนะเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยเมตตาจริงๆทีนี้อมตคนหนึ่งเนี่ยคิดขบฏภายในพระนครปรากฏเกิดขึ้น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 วันหนึ่งก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์กรุงพารณสีเนี่ยเช่นกับรังพึ่งที่ไม่มีตัวเขาบอกว่าน้ำพึ่งไม่มีตัวเหมือนนเถอะดื่มได้เลยพระเจ้าค่ะพระราชาก็อ่อนแอพระองค์เนี่ยสามารถประยึดราชสมบัตินั้นโดยง่ายทีเดียวพระราชาถ้า p e นะก็ไม่เชื่อคำของอมหานั้นเพราะพระเจ้ากรงพารณสีนี่มีอนุภาพมากะนะก็ถือว่าเป็นพระราชาที่มีราชาอนุภาพยิ่งใหญ่มาก นี่บอกครั้งที่ 1- นสองก็ไม่เชื่อครั้งที่3เอางี้ก็แล้วกันก็เลยส่งให้มนุษย์เนี่ยไปปล้นดูสินะแปลองไปปล้นดูในเว้นแคว้นนี้ดูให้ไปฆ่าชาวบ้านในแคว้นกาสีาพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งนะให้จับโจรเหล่านั้นจับโจรมาแล้วก็สอบถามถามเสร็จก็ปล่อยไม่ใช่ปล่อยธรรมดานะให้ทรัพย์ให้ใหโอ้จะเดือดร้อนเนอไม่มีอยู่ไม่มีกินใช่ไหมเอาทรัพย์ไปเนี่ยนะไม่ต้องมาปล้นมาขโมยมาโกงอย่างนี้อีกนะ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 พระเจ้าโกศลก็เสด็จมาจนถึงทำกลางชนนบททหารก็กราบทูลอีกเอาเลยนะพระเจ้าข้าพระองค์ก็ห้ามอีกพระเจ้าทัพเสนะก็ประทับยืนนอกพระนครก็ส่งสารเรียกว่าส่งจดหมายไปนะถึงพระเจ้าเอกราชว่าจะมอบราชสมบัติให้หรือจะรบพระเจ้าเอกราชก็ส่งสารตอบไปว่าเราไม่ต้องการรบมาเอาราชสมบัติไปเลยยกให้เลยเอาไปพวกทหารก็ทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์จะไม่ให้พระเจ้าโกศลเข้าพระนครได้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 ว่าเมื่อพระเจ้าเอกราชเมื่อพระองค์ทรงสเสวยกรรมมาคุณยอดเยี่ยมบริบูรณ์ประทับอยู่บัดนี้พระองค์ได้ถูกฝังอยู่ในหลุมนรกมิได้ทรงสละวั น, นะละพระเดิม น, นะอัตตกถาชาดกว่าพระเจ้าท้าพระเศนาะรับสั่งให้ใส่สาแหลกแขวนเอาพระเศียนลงข้างล่างที่ประตูธรณีด้านทิศเหนือพระโพธิสัตว์นั้นก็เจริญเมตตาปรารบพระราชาโจรแล้วก็อยู่ด้วยเมตานั้นตลอดนะ จเจริญเมตตาตลอดไม่ได้จิตคิดโกรธอะไรไม่แต่นิดเดียวพระองค์กระทำกระสินบริกรรมย่างชานอภิญญาให้เกิดพระองค์ก็ผุดขึ้นจากทรายประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศเรียกว่าหลุมฝังคออ่นนะนะเรียกว่าถูกฝังอยู่เหลือแต่คอจเจริญเมตตาเสร็จแล้วก็จเจริญกระสินบริกรรมทรําฤทธิ์ให้เกิดนั่งเหาะบนอากาศอยู่เลยอ่นนะนะเมตตาท่านมีขนาดนั้นอ่นนะนะ เธอบอกว่าเราเห็นพระเจ้าท่าพระเศ น, นะกับมูอมัมมัดชิงราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนครของเราเรานี่เห็นเขาเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักฉะนั้ น, น, นไม่ได้คิดโกรธแม้แต่นิดเดียวถ้าโกรธเนี่ยนะยังไงก็จเจริญฌานไม่ได้แต่ด้วยเมตตาที่มีอยู่อย่างนั้นบอกถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ใครจะไปทําได้นะแต่ถามว่าคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนอศัศจรรย์ในโลกไม่ได้มีตลอดการอะไรหรอกเนี่ยนะอย่าเอาคนทั่วๆไปไปเปรียบกับท่านเลยว่างั้นนะนะ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 ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเมตตาบารมีอย่างเดียวเป็นเมตตาปรมัตต์ารมีสุดยอดของเมตตาที่ได้เจริญมาทั้งหมดเนี่ยนะเห็นคนมาฆ่าตัวเองฟังตัวเองประทุษร้ายตัวเองเป็นต้นเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นลูกเนี่ยนะอันเวลาถูกเขาคำสั่งด่าก็เหมือนกับพ่อลูกตวาดพ่อแม่ใชพ่อแม่ก็เป็นเด็กโกรธอะไรหรอกงเ้ยนะเมื่อพระโพธิสัตว์แผ่เมตตาปราลบภาระชานั้นประทับนั่งคาสมาที่บนอากาศ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 ขอเขมาบอกว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติของพระองค์เถอะ น, นะถวายคืนแล้วไม่เอาแล้วว่างั้นข้าพระองค์จักป้องกันโจรแด่พระองค์เดี๋ยวจะดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยให้นะเดี๋ยวจะช่วยบริหารให้จะดูแลแล้วแต่แล้วก็สั่งลงอาญาแก่อํามาตชั่วพระองค์ก็กลับไปแคว้นโกศลตามเดิม แม้พระโพธิสัตว์ก็มอบราชสมบัติให้แก่พวกอมาตก็บวชเป็นฤาษียังมหาชนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นสิ้นอายุไขก็ไปสู่พรหมโลกพระเจ้าทัพเสนในครั้งนั้นก็คือพระอนนทในครั้งนี้นะมีหน้านะจึงเห็นเห็นพระนนทเหมือนลูกสุดที่รักเนี่ยจะมาฆ่าก็เลยรักเหมือนลูกนะพระเจ้าเอกราชก็คือพระโลกกนธานทีนี้มาสรุปดูว่าพระเจ้าเอกราชนั้นพระองค์เนี่ย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 กองทัพยกมาเอาราชสมบัติก็ยกราชสมบัติให้เข้าไปอีกอันนี้เป็นฐานบารมีของพระองค์เพราะว่ารัชชบริจาคเนี่ยังไงผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีรัชชบริจากคือสละราชสมบัติยกราชสมบัติให้แก่ยกราชสมบัติให้เป็นทานนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานบารมีศีลบารมีของพระองค์ก็การรักษาอุโบรักษาศีลหรักษาอุโบสถแล้วก็สํารวมด้วยศีลอย่างไม่มีเศษเหลือก็คือ ของนักบวชหมายว่าปกติก็อยู่ในกุศลกรรมบท10สมาทานสีนห้าสมาทานอุโบสถในที่สุดก็รักษาศีลของนักบวชได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปเนคข ม, มะบารมีก็พระองค์นี้ออกบวชนะสามารถที่จะออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุฌานปัญญาบารมีก็คือการไตรตรองถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์รู้ประโยชน์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 อดทนได้เนี่ยนะปกติเนี่ยโอ้โตัดคอแน่นอนเนี่ยนะท่านอดทนนะแต่ถ้าเป็นคนระดับล่างอะ่ะจำต้องทนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคนระดับล่างๆแล้วจําต้องทนอันนี้สูงสุดแล้วสั่งประหารก็ไม่มีใครไม่มีใครบ่นแม้แต่คําเดียววางั้นเถอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ท่านก็อดกลั้นความผิดเหล่านั้นได้อดทนได้นะขนาดทนได้ขนาดเขามาเหยียดยม้มเขาทั้งสารพัดที่จะทำเนี่ยนะก็ทนได้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 สมาทานไม่หวั่นไหวต่อการให้ทานคือตั้งใจว่าจะให้ทานในิจใจไม่หวั่นไหวสมาทานที่จะรักษาศีลใจก็ไม่หวั่นไหวอบรมคุณธรรมทําด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวอันนี้นี่เป็นอธิฐานบารมีของพระองค์ทําด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศล จ, จ, จ, จริงๆเมตตาบารมีด้วยการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แกแ่แก่ฆ่าศึกโดยส่วนเดียวทําทุกอย่างยังไงก็ได้ขอให้ศัตรูมีความสุขะนะ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 ถูกราชาฆ่าศึกฝังอยู่ในหลุมทั้งสุขทั้งทุกข์พระองค์ก็วางเฉยด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะอันนี้เป็นอุเบกขาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชนท่านจงบรรเทาความสุขด้วยความทุกข์หรือจงอดกั้นความทุกข์ด้วยความสุขสรร์ บ, บุรุษทั้งหลายย่อมวางเฉยในสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างเพราะเกิดขึ้นแล้ว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 กระทำได้เช่นนี้ประพฤติได้เฮีย้ยงนี้อยู่แล้ว